หมวดที่สสรุปวิธีปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยร่วมจัดทาโดยหุ่นศรีช่างพินิษยาวรักษ์คงคาสุวรรณอรวรรณจตุรัตวัฒนากูลรัชยาจำปานนสรุปวิธีปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์สามขั้น ชุมชนหรือสังคมตามหลักการของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยผู้คนมากมายซึ่งกำลังก้าวเดิอนอยู่ณตําตแหน่งแห่งที่ต่างๆบนหนทางสายใหญ่สายเดียวกันซึ่งนําไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันและคนเหล่านั้นก้าวออกมาจากจุดเริ่มต้นที่ต่างๆกันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายจเจริญอยู่ในขั้นตอนต่างๆแห่งพัฒนาการในอริยธรรม เมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการนั้นในแง่ที่เกี่ยวกับเรื่องเทวดาก็จะเห็นลำดับขั้นแห่งพัฒนาการเป็นสามขั้นคือขั้นอ้อนวอนหวังพึ่งเทวดาขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีกับเทวดาและขั้นได้รับความเคารพ บ, บูชาจากเทวดาขั้นที่1จัดว่าเป็นขั้นก่อนพัฒนาขั้นที่สองคือจุดเริ่มต้นของชุมชนแบบพุทธหรือชุมชนอารยะ ขั้นที่สเป็นระดับพัฒนาการของผู้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาข้อควรย้าก็คือคนผู้ใดผู้หนึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อเขาก้าวพ้นจากขั้นอ้อนวอนหวังพึ่งเทพเจ้าเข้าสู่ขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีซึ่งเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายามกระทาการตามเหตุผลเลิกมองเทวดาในฐานะผู้มีอานาจ ที่จะต้องวิงวอนประจบเอาใจเปลี่ยนมามองในฐานะเป็นญาติมิตรที่ดีงามที่ควรเคารพนับถือมีเมตตาต่อกันไม่ควรมว่วนสุมคลุกคลีกันไม่ควรรบกวนก้าวกายกันและไม่สมควรคบกันทำสิ่งเสียหายไม่ชอบด้วยเหตุผลมีข้อสังเกตว่าชาวไทยพุทธสมัยเก่าที่เชื่อผีสางเทวดาเมื่อจะทาการใดที่อาจกระทบกระเทือนเทวดา เขาพูดว่าให้บอกกล่าวเทวดาวหรือบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่ข้อนี้อาจเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการปรับตัวเข้าสู่แนวทางของพุทธศาสนาเปลี่ยนจากการเส้นสวงสงเวยอย่างพรามแต่การบวงสวงบนบานกลับมาเฟื่องปูใหม่ในสมัยปัจจุบันทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าในเมื่อคนไม่เข้าใจท่าทีแบบพุทธต่อเทวดาก็จึงมีแค่คนสองพวกเทียนกันอยู่คือพวกว่าเทวดามี กับพวกว่าเทวดาไม่มีจะเถียงกันอย่างไรก็ตามพวกที่เชื่อว่ามีก็ยังมีอยู่และที่มากก็คือพวกที่ระแวงไว้ก่อนว่ามีพวกที่ว่ามีและระแวงว่ามีก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างอื่นนอกจากการบวงสวงอ้อนวอนดังนั้นทั้งที่มีการดุว่าให้เลิกวงสวงอ้อนวอนเทวดาแต่การบวงสวงอ้อนวอนบนบานนั้น ก็กลับยิ่งแพร่หลายงอกงามยิ่งขึ้นข้อสังเกตนี้จะเป็นจริงหรือไม่ขอให้ผู้มีโอกาสช่วยกันค้นคว้ามาบอกกันต่อไปเมื่อมองพัฒนาการนั้นในแง่ที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหารรวมถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์เร้นลับอื่นๆก็จะมีลำดับสามขั้นเหมือนกันคือขั้นหวังพึ่งขั้นเสริมกำลังและขั้นเป็นอิสระสิ้นเชิง ขั้นที่1เป็นขั้นรอคอยอำนาจภายนอกดนบันดาลทำให้หมกมุ่นฝักใฝ่ปล่อยทิ้งเวลาความเพียรและการคิดเหตุผลของตนจัดเป็นขั้นก่อนพัฒนาหรือนอกชุมชนอรรยะขั้นที่สองคือขั้นที่ทำอิทธิปฏิหารได้เองแล้วและใช้อิทธิปฏิหารนั้นเพื่อเสริมกำลังในการทำความดีอย่างอื่นเช่นในการช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยอันตราย และเป็นเครื่องประกอบของอนุสาสนีปาฏิหารถ้าเป็นสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นขั้นที่สองนี้ก็อนุโลมไปถึงการมีสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นเครื่องเสริมกำลังใจหรือเป็นเพื่อนใจให้เกิดความอุ่นใจทำให้เพียรพยายามทำความดีงามได้แข็งแรงยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นหรือเป็นเครื่องเตือนสติและเร่งเร้าให้ประพฤติสิ่งที่ดีงาม ท่านนี้พอจะยอมรับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบชีวิตแบบชาวพุทธแต่ท่านไม่พยายามสนับสนุนเพราะยังอาจปะปนกับขั้นที่หนึ่งได้ง่ายควรรีบก้าวต่อให้ผ่านพ้นไปเสียควรระลึกอยู่เสมอถึงคุณสมบัติของอุบาสกที่ดีข้อที่สว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวมุ่งกรรมคิดมุ่งเอาผลจากการกระทาไม่มุ่งหามงคล สำหรับคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้น่าจะเป็นคำที่คลุมเครือและกว้างเกินไปในบรรดาสิ่งของจำพวกนี้ส่วนที่พอจะอ้างพุทธานุญาตได้คงจะมีแต่มงคลอย่างเดียวดังนั้นในวงการพุทธน่าจะจํากัดไม่ใช้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้แต่คำว่ามงคลเพื่อขีดวงให้แคบเข้าและง่ายแก่การตะล่อมเข้าสู่ธรรมะแต่มงคลเองเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันพลาด ขั้นที่สาคือการมีชีวิต s. <S จิตใจเป็นอิสระดำเนินชีวิตที่โปร่งเบาแท้โดยไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหาริย์หรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริมกำลังใจของตนเลยเพราะมีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอสามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนได้เองปราศจากความหวาดหวั่นกลัวภัยอย่างน้อยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอย่างบริบูรณ์เป็นหลักประกัน ขั้นที่สามนี้จัดเป็นขั้นเข้าถึงพระพุทธศาสนาก้าวสู่ขั้นมีชีวิตอิสระเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้ในการนำคนให้พัฒนาผ่านขั้นต่างๆเหล่านี้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 มีความพร้อมหรือความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ไม่เหมือนกันจึงอยู่จุดหมายของการสอนและการก้าวเดินย่อมอยู่ณที่ขั้นที่สามถ้าผู้สอนมีความสามารถชนานาญในอนุสาสนีและคนรับคําสอนพร้อมอยู่แล้วก็อาจใช้แต่เพียงอนุสาสนีอย่างเดียวพาก้าวครั้งเดียวจากขั้นที่หนึ่งเข้าสู่ขั้นที่สมทันทียิ่งเชี่ยวชาญในอนุสาสนีมาก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 หรือไม่ก็ต้องหาอะไรหยิบยืน่นโยนไปให้เพื่อเชื่อมตัวให้ถึงกันแล้วจึงดึงเขาออกมาได้เมื่อผู้สอนไม่มีความสามารถปราศจากเครื่องมือซื้อโยงชนิดพิเศษก็ต้องเข้าไปให้ถึงตัวเขาและพาเขาเดินออกมาด้วยกันกับตนโดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยู่นั่นเองคงจะเป็นด้วยเหตุเช่นนี้จึงมีการผ่อนปรนในรูปต่าง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 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงวังก็ไม่ทรงเหยียบผ้าจนเจ้าชายโปรธให้ม้วนเก็บผืนผ้าแล้วจึงเสด็จขึ้นวังและได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ห้ามภิกษุเหยียบผืนผ้าต่อมาหญิงผู้หนึ่งซึ่งแทงบุตรใหม่ๆได้นิมนต์พระมาบ้านของตนและปูผ้าพืนหนึ่งลงขอร้องให้พระภิกษุทั้งหลายเหยียบเพื่อเป็นมงคลภิกษุเหล่านั้นไม่ยอมเหยียบ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 และสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลต่างๆขยายกว้างออกไปเปิดรับเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเข้ามามากมายจนบางสมัยรู้สึกกันว่าเกินขอบเขตอันสมควรอย่างไรก็ตามถ้าเข้าใจหลักการที่กล่าวมาข้างต้นดีแล้วและปฏิบัติตามหลักการนั้นด้วยปฏิบัติให้ตรงตามพุทธบัญญตัตินี้ในแง่ที่ว่าทาต่อเมื่อเขาขอร้องด้วย ความผิดพลาดเสียหายและความเฟ้อเฝือเลยเถิดก็คงจะไม่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องโพธิราชกุมารนั้นอธกถาขยายความว่าเจ้าชายโพธิไม่ทรงมีโอรสหรือทิดาได้ทรงให้ปูราดภ้าครั้งนั้นโดยตั้งความปรารถนาว่าถ้าจะทรงได้โอรสก็ขอให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบผ้านั้น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 ภิกษุหลังพุทธกาลทำไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจชาวบ้านก็จะติเตียนเอาว่าพระสมัยนี้ไม่เก่งเหมือนยังสมัยก่อนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นการช่วยคุ้มครองภิกษุรุ่นหลังทั้งหลายและอธิบายต่อไปว่าในกรณีที่หญิงแท้งไปแล้วหรือมีคันแก่เขาขอเพื่อเป็นมงคลจึงเหยียบได้ถ้าพิจารณาตามแนวของอัตถกถา อาจมองเห็นความต่อไปว่ากรณีของเจ้าชายโพธิเป็นการบนบานขอลูกจึงทรงบัญญัติไม่ให้เหยียบส่วนกรณีของหญิงแท้งบุตรเป็นการขอเพื่อเป็นสิริมงคลเท่านั้นจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้เหยียบอย่างไรก็ดีถ้าไม่ดูอัถกถาพิจารณาอย่างพื้นพื้นตามเรื่องในบาลีจะสันนิษฐานความได้ใหม่ที่ดูจะสมเหตุผลอยู่มากกว่า ที่ไม่ทรงเหยียบผ้าที่วังของเจ้าชายโพธิก็เพราะทรงรักษามารยาทพระองค์เสด็จมาถึงยังไม่ได้ล้างพระบาทจึงไม่ทรงเหยียบเพราะไม่ประสงค์จะให้ผ้าเปื้อนสกปรกมีอนุบัญญัติต่อไปด้วยว่าถ้าภิกษุล้างเท้าแล้วอนุญาตให้เหยียบได้ส่วนกรณีของหญิงนั้นทรงยกเว้นให้เพราะเขาขอร้องเอง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 อิทธิปาฏิหารเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของตัวผูดทำอิทธิปาฏิหารเองส่วนมงคลมีที่มาได้หลายแง่เช่นอาจเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งที่ให้มงคลนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อิธานุภาพหรืออำนาจพิเศษเป็นของตนก็ได้อาจเชื่อว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นเป็นสื่อหรือทางผ่านของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เร้นลับอยู่ต่างหากก็ได้ หรืออาจเชื่ออย่างประนีตขึ้นมาอีกว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นส่งไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามความสุขความบริสุทธิ์จึงเกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมงคลขึ้นมาในตัวเองอย่างที่ชาวบ้านจำนวนมากเชื่อต่อพระสงค์เป็นต้นก็ได้มงคล น, นี้มีส่วนไปเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องติรชานวิชาไม่น้อยติรชานวิชาเป็นคนละเรื่องกันกันกบอิทธิปาฏิหาร เพราะคนเห็นติรชานวิชาบางอย่างเป็นแหล่งที่มาของมงคลติรชานวิชานั้นถ้าภิกษุใช้เป็นเครื่องเลี้ยงชีพสแสวงหาลาบก็เป็นมิชชาชีพจัดเป็นความบกพร่องด้านศีลโดยมากรวมอยู่ในเรื่องมหาศีลในด้านที่ประสงค์ได้ อ, อนอ่อนผ่อนตามความประสงค์ของชาวบ้านนั้นราชสมัยใหม่บางท่านเห็นว่า ความอ่อนอ่อนผ่อนตามจนเกินไปเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาและลักษณะนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยในข้อนี้ผู้เขียนขอแสดงความเห็นว่าความอ่อนอ่อนผ่อนตามโดยไม่วางหลักและขอบเขตของตนไว้เป็นจุดยืนที่แน่นอนจึงจะเป็นจุดอ่อนที่เสียหายแต่พุทธศาสนามีจุดยืนที่แน่นอน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 ก็นับว่ามากพอคุ้มได้ส่วนทางด้านเทวดาความผ่อนปรนในระดับพัฒนาการขั้นที่สองก็เปิดโอกาสให้ชาวพุทธผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแต่เดิมแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้ อ, ก, อกูลกกบเทวดาได้ต่อไปถึงจะทำผลีกรรมแก่เทวดาก็สนับสนุนเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องทาฐานสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ แสดงเมตตาจิตต่อกันไม่ใช่จะอ้อนวอนหรือขอผลตอบแทนเมื่อไปอาศัยอยู่หน้าถิ่นฐานใดก็ตามทำการบำรุงถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศีลแล้วก็ตั้งจิตเผื่อแผ่อุทิศส่วนบุญไปให้แก่เทวดาทั้งหลายในที่นั้นด้วยเทวดาทั้งหลายได้รับความเอื้อเฟื้อแล้วก็จะมีไมตรีจิตตอบแทน เทวดาทั้งหลายได้รับการบูชาคือการยกย่องให้เกียรติจากเขาแล้วย่อมบูชาเขาได้รับความนับถือจากเขาแล้วย่อมนับถือเขาและย่อมเอ็นดูเขาเหมือนแม่เอ็นดูลูกข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าเล่มที่สิบและเล่มที่25มีข้อสังเกตสำคัญสองอย่างสำหรับบาลีตอนนี้คือ 1. เป็นพุทธพจน์ที่รัสแก่พรหราม คือพวกที่นิยมลทัทิบูชายันเส้นสวงเทพเจ้ามาแต่เดิมสองความเชื่อสมัยนั้นมีว่าเมื่อมนุษย์สร้างสถานที่สำคัญสา ค, คัญสำหรับกิจการของพวกตนเทวดาทั้งหลายก็เข้าสถิตครองที่นั้นๆกันเองตามฐานะของตนของตนไม่มีการสร้างที่อยู่ต่างหากให้เทวดาไม่มีพิธีอัญเชิญอย่างใดๆอย่างไรก็ดี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 จะแผ่บุญกุศล น, นั้นไปให้แก่เทวดาด้วยก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรมีแต่จะส่งเสริมคุณภาพจิตของตนเองและแผ่ความดีงามร่มเย็นให้กว้างออกไปในโลกเมื่ อ, อยังก้าวไม่พ้นจากพัฒนาการขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามหยุดตราบใดหากยังรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ภายในหลักการแห่งความอยู่ร่วมกันด้วยดีนี้ได้ ไม่ถลำกลับไปสู่การประจบเอาใจหรือเรียกร้องอ้อนวอนการกระทําต่างๆก็จะรักษาตัวมันเองให้อยู่ภายในขอบเขต ท, ที่จะไม่เกิดผลเสียหายทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมอีกทั้งจะได้ผลดีทางจิตใจเป็นกำไรอีกด้วย